ที่ยังไม่มาถึงกาดีปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่กว่าดีรูปประธรรมก็ดีน า, ามธรรมก็ดีที่รวมเรียกว่าสังขารโลกโลกคือสังขารสัตโลกโลกคือมูลสัตว์โอการโลกโลกคือแผ่นดิน เทวโลกได้แก่ชั้นตามาพัจระ6กชั้นพมปรมโลกได้แก่รูปประพรมสิบหกชั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีรสชาติอันเดียวกันเสมอกันเหมือนนากรมีรสชาติอันเดียวกันคือทุก เบื้องว่ามีชาติแล้วจะเกิดเป็นอะไรก็าตามก็มีรสเป็นทุกข์เหตุฉะนั้นพระอริยเจ้านับแต่เพศหญิงก็าตามเพศชายก็ดีก็าตามจิตใจของท่านจึงโอนไปเอ็นไปน้อมไปในพระนิพพานพระมองเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดด้วยปัญญาอันเยียบคายด้วยการที่เคยผ่านมา ด้วยเคยได้ยินได้ฟังบ้างด้วยเคยได้พิจารณาบ้างด้วยเคยได้ภาวนาบ้างก็ลงเอยในรสชาติอันเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาทุกข์ให้เห็นจริงตามทุกข์อยู่แล้วก็เรียกว่าอริยสัจอริยสัจเจตุเอวันติ อริยะสัจจานัศนังเพราะเห็นทุกเมื่อเห็นทุกก็เห็นศีลก็เห็นธรรมก็อยู่ด้วยกันในขณะเดียวก็เป็นอันเดียวกันผู้ใดเห็นทุกก็คือผู้นั้นเห็นศีลเห็นธรรมก็คือผู้นั้นเห็นสังขารก็คือท่านผู้นั้นเห็นโลกก็คือผู้นั้นเห็นกองนามลูก พระพนั่นเห็นทั้งสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเห็นโดยปัญญาอันญ ย, าาย่ไพทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทั้งปวงสมุิฐานของทุกที่สั์มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็คือกิเลสก็ยังไม่เอื้อมละอาทุกพอ สงสัยในทุกขถ้าไม่สงสัยในทุกก็ไม่มาอีกคนเราเมื่อสงสัยอันใดก็ต้องไปดูอันนั้นพรยังสงสัยอยู่เมื่อไม่สงสัยแล้วก็ไม่อยากไปดูชั้นใดก็ดีเมื่อบุคคลผู้ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงว่าเต็มไปด้วยทุกทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นชัดแจ้งด้วยปัญญาแยบคายของตนเองแบบเย็น วิญญาณของผู้นั้นก็ไม่มีปฏิสนธิจะไปเหนีย่ยวรังในวัฏฏะรสงสารอีกก็น้อมไปโอนไปในพระนิพพานเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาไปในตัวเป็นแหวนสองทางไปในตัวเป็นทำคู่แข่งขันกับความหลงของตนไปในตัว เป็นทำทิพย์ไปในตัวไม่ใช่โลกทิพย์โลกทิพย์ก็คือบาปก็บุญอยู่ในวัดตาสงสารอันนี้บาปก็เป็นของทิพย์ทำเวลาไหนก็ได้เวลานั้นบุญก็เป็นของทิพย์ทำเวลาไหนก็ได้เวลานั้นเพราะบาปใจบุญใจเพราะใจเป็นผู้ได้รับผล เมื่อเห็นโลกชัดด้วยปัญญาอันแยบคายแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะสงสัยในโลกต่อไปอีกว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากทุกเพราะโลกรวมกันอยู่มีรสชาติเป็นทุกข์เท่านั้นจะเป็นอินเป็นพรมเป็นพยมพการจะตโล ก, กบาลทั้งสีก็ตามก็มีทุกข์สัมพยุตอยู่ ข้ออำนาจของสังขารที่ไม่เที่ยงยึดครองแล้วในใจโลกทานนี่เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นใจโลกทานรอบเมื่อเห็นความเก่เป็นทุกข์ก็เห็นใจโลกทานรอบเมื่อเห็นความเก็บเป็นทุกข์ก็เห็นใจโลกทานรอบเมื่อเห็นความตายเป็นทุกข์ก็เห็นใจโลกทานรอบขณะจิตเดียวเท่านั้น ทีนี่ปัญหาในลโลกเล็กๆก็ไม่มีปัญหามากเพราะปลงวางไปแล้วปลงวางความสงสัยไปแล้วข้ามความสงสัยไปแล้วกังขาวิตรณะวิสุทธิวิสุทธิความมวลจดเหียงยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยคือข้ามพ้นความสงสัยในโลกทั้งปวง มุนจิตุกรรมยะตายามีแต่จิตใจจะไข่พ้นไปเสียปฏิสังขานุปัชนายาก็พิจารณาหาทางจิตทางใจที่จะข้ามพ้นไปให้ทวีขึ้นสังขารุเปเกศขายานก็วางเสยในโลกทั้งปวงเพราะไม่ยินดีสัจจานุโลมิกะยาจิตใจก็เป็นอริยสัตว์ไปในตัว ต่อแต่นั่นก็จะข้ามพุทุชนคนหนามีปัญญาสูงส่งขึ้นไปตะพฤ้นตะผือเพราะเห็นเต็มตานอกเพราะเห็นเต็มตาในคือตาใจเห็นอย่างรอบคอบคือสมัญจะสมัญตะจักสุเห็นอย่างสว่างสวัยในจิตใจเรียกว่าปัญญาไม่มีที่ผิดบ้าง แกก็ไม่มีที่ปิดบังเจ็บก็ไม่มีที่ปิดบังตายก็ไม่มีที่ปิดบังสั์ทั้งหลายเลร่อนเล่าร่นเป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารก็ไม่ปิดบังเห็นจริงด้วยตามเป็นจริงด้วยพิจารณาตามเป็นจริงด้วยจิตก็ละอาตามเป็นจริงด้วย นิพพัายญาณความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัาสงสารก็นับวันทวีขึ้นอุปสรรคเป็นยาวิเศษของนักปราชั์อุปสรรคแต่เป็นยาไปนรกของนักเปรตมีอุปสรรคถ้าใดก็ยิ่งทำความผิดพวกนั้นยิ่งลักขโมยปล้นจีส้สะรุแต่นักปราช์เมื่อมีอุปสรรคเข้า ก็เพิ่มความเมื่อยหนายคลายเมารเนวัตตะสงสารทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีทุกที ท, ท, ท, ท, ท, ทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นบวกขึ้นในจิตในใจของตนนับวันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนับวันจะเหยียบเล็บความหลงของตนไปที่เคยหลงมานี่คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วย ความห ม, มายของพระธรรมสัพพุทธเจ้าความหมายของพระธรรมความหมายของพระริยสงฆ์ก็มีเท่านั้นหลังให้ซัดทั mm ้ง hmm. <ๆ>หลายเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏะสงสารเท่านั้นทำชั้นสูงทำชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเป็นชั้นผสมชั้น <ition ists> เพื่อนหน่ายคายเมาในวัฏฏะสงสารเป็นชั้นญาติปริญญากำห น, นดรู้เพื่การรู้เป็นชั้นตีนละนาปริญญากำหมดเพื่การติเจรณา เป็นชั้นปะหานปิญญากำหนดด้วยการละความเพลินในวัฏสงสารมันละเองมันมันเห็นเองมันชัดเองมันละเองมันคล้ายๆกับเราเราเริมตาขึ้นเมื่อมันละเองเราไม่ได้ต้องถือค้อนถือไม้ปไปไล่มันชันในกดก็ดีเมื่อเห็นโทษเห็นฝ่ายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แลวความเมาในวัฏสงสาร หากหยุดย่อนพรพันุลงไปเองตามสิติกําลังของตนที่เห็นน้อยและเห็นมากหรือเห็นติดต่ออยู่ไม่ขาดสายมีความหมายเท่านั้นไม่ต้องการอยากจะมาสแสวงหาความสุขในโลกอีกเพราะไม่อวดดีต่อพระสรรมจัมพุติเจ้าถ้าต้องการจะสแสวงหาความสุขในโลกอีกก็เท่ากับว่า จะประชันขันแข่งกับพระสมุมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมทัา้างหลายและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายที่ร่วมไปแล้วมากกว่าเม็ดินเมดทรายในทองมหาสมุทรสีมหาสมุทรค่าก็ว่าเราไปกล่าวตูวท่านว่าหาไม่เป็นแม่เท่าเราหาความสุขในใจโลกธาตุท่านเหล่านั่นหาหมดแล้วมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่เห็นเห็นแต่กองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเหตุ ดันั้นนิพพินทางเวลาชะติเวลาคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติยาณังโหติขีณาชาติท่านจึงเบื่อหน่ายแบบเย็นเย็นกลายเมาแบบเย็นเย็นลุดพ้นไปจากความหลงตนเองแบบเย็นเย็นข้ามทะเลหลงข้ามทะเลเพลินนันทิคือความเพลินข้ามทะเลเพลินในวัดตาสงสารก็เลยจบกระเสียณในวัดตาสงสาร ไม่อยากจะมาทัศนาจรอีกไม่มาสังสรรค์อีกลาออกจากสังคมของไตโลกทาศท่านทั้งหลายต้องการอยู่ก็อยู่เถิดเราจะขอลาละท่านพูดอย่างนั้นในใจของท่านเราจะมาแก้ไขวตัตฏาสงศารให้อยู่ในกํามือย่อมเป็นไปไม่ได้มีแต่พินหลังใส่มีแต่ลาเท่านั้นยกธงขาวไม่สู้ ยกธงแดงเดินออกหนีจากโลกยกธงขาวยอมไม่สู้เพราะไม่อยากจะบวกจะปูดจะทวีความหลงของตนอยากจะต่อสู้ลบขบกัดกับความหลงของตนที่เคยหลงมาจะไม่หลงต่อไปอีก จะไม่ส่งเสริมหลงต่อไปอีกจะทำลายหลงด้วยระเบิดปรมาณูคือการพิจารณาทุกเนื้อเนือคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองคือพระพุทธพระธรรมประสงค์นั่นเองคือพระไตรปิฎกนั่นเองคือแปดมื่นสีพระธรรมขันธ์นั่นเองเทศอยู่สี่สุห้าพรรษาก็ให้เห็นโทษในทุก มีความประสงค์เท่านั้นเห็นโทษในวัฏฏะสงสารใหาเห็นโทษในเกิดแก่เก็บตายการรักษาศีลภาวนาก็มีความหมายอย่างนั้นเพื่อจะเป็นเครื่องมือออกจากวัฏฏะสงสารเท่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือเพื่อให้อยู่ในวัฏฏะสงสารทำแท้แล้วไม่มีมากทำโวหารก็ต้องมีมาก โวาหารแปลว่าให้หาลงหาลงในกองทุกขหาลงในอนิจจังหาลงในทุกขังหาลงในอนัตตาเออเราภาวนาไม่เห็นอะไรเทววุฒเทวดาเราก็มาเห็นเทววุฒเทวดาเขาอยู่ใต้อานาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้แตกสลายนี่เมื่อเราเห็นเกิดขึ้นแล้วแปรปวนได้แตกสลายไม่มีอะไรเีลื่อยังยืนก็เรียกว่าเราเห็นเทววุติเทวดาในทางปัญญา เห็นลูกหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยเทวบุตรเทวดาจะงดงามสักเพียงไหนก็ตามพม่าโลกจะงดงามสักเพียงไหนก็ตามก็เพื่อแตกเพื่อทําลายเท่านั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรังยังยืนอะไรนักเมื่อเห็นความแตกความสลายแล้วก็เห็นใจโลกธาตุหมดแต่ว่าเราภาวนามาเห็นอะไรมันก็ไม่ถูก เมื่อเห็นเราแตกเมื่อเห็นสิ่งที่แตกสลายไม่มีอะไรกีรังยังยืนมีแต่ทุกข์ทั้งมวลก็คล้ายๆกับว่าเราเห็นหมดแล้วในโลกนี้ไม่มีใครจะมาโกหกพโลกลมได้ตนก็ไม่กล้าโกหกพโลกลมตนเองเพราะได้พีารนาชัดแนวความหลงจะขบฏขึ้นมาจากที่ไหนอีกเอาเห็นชัดด้วยพระปัญญาพระสติ เห็นฟ้อมก็ลมหายใจเข้าออกด้วยถ้าต้องการเห็นไ่่เม้แต่แม่ต้องการดูถ้าต้องการดูเวลาไหนก็เห็นเวลานั้นต้องการดูความแก่ก็เห็นอยู่ต้องการดูความเก็บก็เห็นอยู่ต้องการดูความตายก็ตายจากเช้าสายใบเที่ยงตายจากจิปพระจรตายจากวินาทีแต่จิตใจไม่ยอมตาย จากมรรคผลนิพพานสิ่งเราอื่นตายก็ตามเกิดดับก็ตามยิตใจสติปัญญามายอมตายออกจากมรรคผลนิพพานจะข้ามทะเลหลวงให้ได้ทะเลหลวงกับทะเลทัดทะเลหลงก็อันเดียวกันถ้าไม่หลวงก็ไม่หลวงก็ไม่หลงก็ไม่หลักหล่กาโอฆโอฆคือกาม พระโคโอคือพบที่โควะโอค ะ, ะคือทิฏฐิอวิโชโคะโอคะคืออวิชชาความโง่ก็มีความหมายอันเดียวกันกับทะเลหลวงนี้เองอกามตัญหาภาวะตัญหายุภาวะตัญหาก็มีความหมายอันเดียวกันก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงไม่มีแล้วกามวาตัญหาจะมีมาทางไหนอีก ภาวะตัญหาความกำลัดในภพทั้งปวงไม่มีแล้ววิภวะตัญหาก็เหมือนกันกาโอคะโอคะคือกามพระโอคะโอคะคือภพทิถัวโอคะโอคคือทิถิกาโยคะโอคะคือกามพระโยคะโยคะคือทิถิ อวิชโชคะโอคะคืออวิโยคะคืออวิชชาก็มีความหมายอันเดียวกันราคาทัรสามโมหะก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าข้ามมาหนึ่งก็ต้องข้ามในหมดข้ามความเพลินในวัฏสงสารแล้วก็ข้ามหมดข้ามสมุ ท, ทยัยข้ามทุกหมด เขาเห็นโทษอย่างเต็มที่เมื่อเห็นโทษอย่างเต็มที่ก็ดับเพลินอย่างเต็มที่ก็ดับความโง่อย่างเต็มที่ก็ดับอวิชาตัญหาอุปาทานอย่างเต็มที่ไม่มีอันอื่นจะนอกเหนือไปกว่านี้อีกเพราะไม่ใช่สมาธิหัวต่อสมาธิอิงกับสัมมาวายามะสมาญานะรู้ชอบเพียนชอบ แล้วลูกชอบตั้งใจไว้ชอบเห็นชอบทำงานงานชอบคือนึกคิดอย่างนี้เรียกว่าการงานเรื่องชีวิตชอบนึกคิดอย่างนี้เรียกว่าคีเรื่องชีวิตชอบเรียกงจิตเรียยงใจชอบเป็นอาหารของคิดของใจชอบเป็นใจตั้งมั่นชอบตั้งมั่นพิจารณาอยู่อย่างนี้เรียกว่าสมาธิเป็นปัญญารอบครอบ เพราะปัญญาพิจารณาอย่างนี้รอบโลกก็คือรอบความหลงก็คือรอบความเพลินชนะตนเองก็คือชนะความเพลินในวัาสงสารดับตนเองก็คือดับความเพลินในวตาสงสารเห็นโทษในสงสารอย่างเต็มที่เรียกว่าดับเพลิน เรียกว่าชนะความโง่ของตนเรียกว่าต่อสู้ความโง่ของตนเมื่อได้หมายจะชนะดินฟ้าอากาศหรือคนภายนอกชนะก็ชนะอกิเลดของตนแพ้ก็แพ้กิเลดของตนชนะแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางของพุทธศาสนาแต่โลกเอามาใช้กันก็วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากพากันชนะภายนอกนั่นเองกูดีมึงชั่วกูชั่วมึงดีรบราฆ่าฟันกัน แย่งชิงว่ดนเมืองแย่งชิงอำนาจวัดศาสนากันอิทาลีก็คือทุกนั่นเองจะเป็นเจ้าโลกเกิดแก่เก็บตายนั่นเองจะเป็นเจ้าโลกสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งทุกอย่างยิ่งนั่นแหละเป็นเจ้าโลกรัสเซียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกอเมริกาก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกใครก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกทางนั้น มีแต่ทุกข์เนั้นเป็นเจ้าโลกวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเข็ดลับในวัฏสงสารเป็นวิชาที่คลายเมาในวัฏสงสาร ไม่ใช่วิชาเพื่อจะให้ติดอยู่ในวัฏสงสารวิทยาศาสตร์ใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยวิชาใดๆในโลกจะเหมือนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยยาโอสซใดในโลกจะเสมอเหมือนยาโอสถนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย พระพุทธศาสนาท่านเพื่อได้ดื่มลงไปแล้วเบื่อหนายคลายเมาในโลกเห็นโทษในโลกเหมือนหนุนฐานเพลิงแดงโลกขึ้นไปจนถึงพร ม, มโลกไม่มีกลางวันกลางคืนท่านผู้มีปัญญาชัดก็เห็นโทษอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ถอยหลังออกถอยะกูถอยนอ็อตคืนทางเก่ามาได้ถอยทะลุไปสลัดคืนจาโครปันนิสโกมุติอนาลโยไม่อาลัยในวัฏจัรสงสารไม่เสียดายอยากจะมาเกิดอีก ไม่เสียดายจะมาแข่งดีแข่งขั่วกับมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงอีกแข่งกันไปแข่งกันมาก็ตายใครมีบุญก็ไปหาบุญใครมีบาปก็ไปหาบาปเพียงเท่านี้ส่วนพระรยายเจ้าประชานคั้นแข่งทางจะออกหนีสั้โลกทั้งหลายประชัชนคันแข่งเพื่อแย่งกันอยู่ในโลกแต่แย่งไปแย่งมาก็แย่งกับเงาตนเองตายเฉ ย, เฉย ปั้นน้ำให้เป็นตัวพากันแข่งดีปั้นน้ําให้เป็นตัวแข่งกันในโลกวัตตาสงสารอันนี้วิชาเบื่อหน่ายวิชาคลายเมาไม่อินุอิน่เลยเรียนเรียนวิชามแมลงเมาบินเข้าตะเกียงตายกันให้เห็นเป็นแถวแถวเรียนวิชาบินเข้าตะเกียงอยู่ ชั้นใดก็ดีรัดโลกทั้งหลายยอมเป็นอย่างนั้นแต่ผู้สร้างวาลมีบางมาแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายคัดค้านอยู่ในใจถึงไม่คัดค้านออกก็ดีไม่ยอมตายใจด้วยครับครับผมผมเจ้าข้าพอเจ้าข้าพอแล้วไปแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาเห็นชั้แล้ว เพราะเขาขี้เกียจคัดค้านสังคมแต่เขาเห็นสูงไปกว่านั้นแล้วถ้าคัดค้านก็ไม่ได้ประโยชน์เขาก็เอาตัวรอดเท่านั้นเอาตัวรอดเป็นยอดดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมเทศนาอยู่แล้ว แก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทุกการเก็บก็เก็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทุกการตายก็ตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีอยู่ทุกการความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายก็มีอยู่ทุกการความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ทุกการหายใจเข้าออกก็บันเทาทุกนั่นเองไม่ใช่อันอื่น ถ้าอุดรูจมูกไว้อุดปากไว้ก็ดิ้นกันเลยดิ้นรนเพราะมันเป็นทุกข์หายใจเขา้าบรรเทาทุกข์ไว้ชีพรจรก็ต่ออายุไว้อาหารแต่และวันและมื้อก็ต่ออายุไว้พอประทางประทางถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้นตายตามสมมติแต่จิตใจไม่ยอมตายไปข้างไหน จะพยายามปฏิบัติไปจนถึงคำอันไม่ตายคือพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าดับเพลินในวัฏรสงสารเมื่อดับเพลินแล้วก็เย็นนิพุโตนิพุตานิพุตังข้าวตังอันเย็นดีแล้วเพราะเย็นจากความเพลินในวัฏรสงศารเพราะเย็นจากความเพลินในโลกทั้งปวงเพราะเย็นจาก ความเพลินทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยอดีตก็เป็นโรคอันหนึ่งล่วงไปแล้วอนาคตก็เป็นโลกอันหนึ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็เป็นโลกอันหนึ่งที่กำลังเป็นอยู่อดีตก็เป็นธรรมอันที่ล่วงไปแล้วคือสังขารธรรมอนาคตก็เป็นธรรมอันหนึ่งคือสังขารธรรมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือสังขารธรรมที่อยู่ในปัจจุบันนี้เอง ก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันคือทุกเท่านั้นไม่มีอันอื่นจะมาแย่งธรรมะ ก, กายยกะทุกทุกทางกายไม่ลงธรรมะเยตาศิกทุกทุกทางใจลงธรรมะถ้าพิจารณาถูกตอนไหนตอนนั่นก็ไม่เป็นทุกทุกทางใจถึงกายจะเป็นทุกข์ก็ตามใจไม่ยอมเป็นทุกข์ด้วยเพราะรูตรนะระ้ตามเป็นจริงแนละ้วเพราะปฏิบัติตามเป็นจริงแล้ว ถ้ารุดพ้นจากความหลงตามมันจริงแล้วไปเป็นชั้นๆจนถึงจนถึงที่สุดทุกโดยชอบคนเราถ้าไม่ปฏิบัติทำเพื่อพ้นทุกข์ก็คล้ายๆกับว่าพาเศรษฐีไปฆ่าเศรษฐีคือนักปราช ก็คล้ายๆกับว่ามดแดงเฝ้าผลสม้มหรือกบเฝ้าดอกบัวพาเศรษฐีไปค้าทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาค่ายกับดอกบัวผู้แม่ปฏิบัติค่ายกับกบ หรือค่ายกับมะม่วงหรือค่ายกับมะเดียงทอดผลมะม่วงเจ้าของมะม่วงเอาไปกินมะเดียงไม่ได้กินเลยเจ้าของมะม่วงคืออะไรคือความตายมันเอาไปกินซักคำว่าซักเป็นคำภาคอีสานในราชการที่หกเรียกว่าเอาไปกินเสีย ในปัจจุบันพูดซะก็มีคำว่าซะมันเป็นคำภาคอีสานเอาไปปนกันรัชากรุงเทพก็เลยเปลี่ยนมาเป็นภาคอีสานพิษแตศเนียงคำพูดเท่านั้นถ้าแต่ก่อนได้ยินแต่กระดานเดี๋ยวนี้แป้นก็เรียกือนภาคอีสานเสียแล้วแต่ก่อนกำปั้นไม่ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เรียกตามภาคอีสานว่ากำปั้นแต่ก่อนเรียย เรียกว่าหมัดเท่านั้นกำหมัดไม่ใช่ไม่มได้เรียกว่ากำกำปั้นหรอกทุกวันนี้เรียกว่ากำกำปั้นเรียกตามภาษาภาคอี ส, สานแต่พิษจำเนียงคำพูดเท่านั้นพิษอักษรต่ำสูสงสอนกลางเท่านั้นสมัยราชการที่ที่หก คำสมมุติชาวตลาดก็ไม่มีฮะทุกวันนี้มีแล้วการพูดกันไม่ได้หอกเท่านั้นแ่ะไม่ได้หอกไม่มีหลอกไม่มีทุกวันนี้มีหลอกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกคำพูดมีตัวห่อตัวรอ สออก็สะกดแต่ก่อนไม่ได้ดอกท่านนั่นละ่ะเดี๋ยวนี้มีรอกเดี๋ยวนี้เพราะคำสมมุติก็เพิ่มกันขึ้นตะพึดตะพืดนเราเรียกว่าคำสมมุติพอให้รู้จักกันแล้วก็รู้ก็ใช้ได้อื ลงไปภาคใต้เขาก็เรียกว่าฟานเหมือนกันเหมือนกับภาคอีสานเรียกภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอีเก้งเห็นอ้อมในภาษาภาคอีสานภาคกลางเรียกว่าชมดุดภาคใต้เรียกว่าหมุดซังหมุดซังหมุดซัง ต้นฝรั่งผลฝรั่งภาคอีสานเรียกว่าผลซีดาต้นหมักซีดาร์ภาคกลางเรียกว่าผลฝรั่งต้นฝรั่งภาคใต้ย่ามู้ย่ามูย่ามู <c oughs> มันสมมุติจริงๆสมมติเหล่านี้มันอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทะ น, นั้นเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของสมมติสม ม, ต, ส ม, มติกัน ใช่ในโลกข่อขวาวหรือเป็นหนึ่งนิดก็าตามก็เรียวกว่าสมมุติกินข้าวรับประทานข้าวเสวยพระกายอาหารสมเด็จพระบรมราชาได้สอบพระพิสุสง์ก็ว่าฉันอาหาร จีนก็เจี๊ยบปึ้งแก้วก็อันเกิมนั่นภาษามาครก็พูนชันติมันสมมติกันจริงๆอันนี้แต่สมมติทางหลายก็อยู่ใต้อำนาจอันธิจังเหมือนกันเพราะพวกกองนมลุบเอาไปใช้มนุษย์เอาไปใช้สัตว์เอาไปใช้ สิ่งไหนที่มนุษย์สัตว์เอาไปใช้ก็เรียกว่าสังขารก็เรียกว่าสมมุติเรียกว่าสัพพ น, นามสัพพ น, นานยน่นลงมาหาเอกนามสันพาสนมุสมมุตยนต่นลงมาหาเอกะสมมุติในปัจจุบัน สรรพาวิมุตต์หรือสรรพาวิมุตต์ก็ย่นลงมาถึงเอกาวิมุตต์ในปัจจุบันถ้าข้ามโลกปัจจุบันได้โลกอดีตโลกอนาคตก็ข้ามได้ถ้าไม่สุสงสัยในโลกปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตก็ไม่สงสัยถ้าไม่สงสัยในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่สงสัย ถ้าไม่สงสัยในวันทิศวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ไม่สงสัยเพราะเหตุใดเพราะเหตุสิ่งเหล่านี้ใส่ชื่อเรือนามออกพอได้รู้จักความหมายกันข้าพเจ้าเป็นวันทิศข้าพเจ้าเป็นวันจันทร์ข้าพเจ้าเป็นวันอังคารข้าพเจ้าเป็นวันพุธข้าพเจ้าเป็นวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เขาก็มาได้ว่าแต่ชาวโลกสมมติพอได้รู้จักความหมายกันเท่านั้น วันดีวันจมวันฟูมันเป็นศยาศาสตร์เป็นาศาสนาพราม์ถ้าว่าวันนี้ไม่ดีผู้เขาเป็นเศรษฐีก็มีอยู่ผู้ท่านเป็นพระหันก็มีอยู่ทำไมแม่กลับมาเป็นพุทชนเหมือนเราถ้าหว่าวันชั่วก็เหมือนกันผู้ที่ท่านทำดีก็มีอยู่แล้วไปตู่เขาว่าวันดีวันไม่ดีความเป็นจริงแท้ก็เอการาตินีวะ มีแต่มือดอกับสว่างเท่านั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเอกะแปลว่ากลางวันลัตตินแปลว่ากลางคืนแต่นี่ต่อไปเราจะเคล็ยหลาบเนวัฏท้าสงสารเท่านั้นพอแล้ว เราจะเคสลาบแบบเย็นๆย็นแบบรอบคอบไม่มีโมโหสัมปยุตไม่มีงุนหญิตสัมปยุตเราจะขอเคดขอลาบในวัฏจัรสงสารขอเคดขอลาบในความหลงของตนที่เคยหลงมาหลงมาออกลิงออกลายแข่งกันแข่งไปแข่งมาก็แข่งตายกันแข่งเกิดกันแข่งเก็บ แข่งตายกันแข่งโลกแข่งปูดแข่งหลงแข่งกินแข่งขี้แข่งนอนเอสารพัฒแข่งบริษัทบริวารผลทุดงท่ายก็ตายกองกันลงดินลงไปเป็นดินน้ำลงไปเป็นน้ำไฟลงไ ป, ไปเป็นไฟลมไปเป็นลมส่วนวิญญาณผู้ใดทำดีทำชั่วก็ไปตามยาถากรรมของตนผู้ไม่มีกิเลก็เ ข, เข้าสู่พระนิพพานไป ผู้มีกิเลสน้อยก็เกิดอีกสองสามชาติบ้างแปดชาติบ้างเจ็ดชาติบ้างผู้ที่มีกิเลสหยาบก็ไปลงนรกบ้างออกจากนรกแล้วเป็นเปรตไะไปใยอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ที่ฉันบ้างแต่ละบ้างละบ้างตั้งลล้านปีไม่ใช่บ้างเล็กบ้างน้อยชั่ววินาที แต่ละบ้างละบ้างเอาตั้งนานร่านปีในมนุษย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เห็นทุกในวัฏฏะสงสารเนี่ยสอนให้เห็ดหลับในวัฏฏะสงสารไม่ได้สอนให้เพลินในวัฏฏะสงสารคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วัตถุนิยมก็ชมว่า ด, ดีอยู่แต่อยู่ก็ใต้อู่ของอนิจจังถ้ามันมีวัตถุนิยมก็เดินทางลำบากคล้ายกับว่าเดินทางไม่มีน้ำไม่มีสเสบียงภายนอกส่วนสเสบียงภายในคือธรรมะชิ้นสมาธิปัญญาเต็มในกิจในใจแล้ว เมื่อเข้าสู่พระนิพพานไปก็เป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญามหาวิมุตตมหานิพพานชีพจรเดินพักขัง้ขงหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้วในส่วนลูกขัน ส่วนนามขันขณะคิดที่นึกขณะคิดหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะนึกคิดกี่ครั้งนับไม่ไหวเสแล้วเหมือนพยับแดดมีทั้งเกิดทั้งตายสมรยุตกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนถ้าจะว่าอย่างละเอียดในขณะเจตสิกที่นึกคิดนะ่ ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ดีนะพิจารณาเมืองนะพระบรมศาสดาเราพิจารณาดีแล้วเราพิจารณาพอแล้วท่านทั้งหลายยังพิจารณายังไม่พอพระบรมศาสดาเราจะถาคว่าพิจารณาพอแล้วพิจารณาให้ยิงแล้วหายสงสัยแล้วท่านทั้งหลายจงทํำทำทําตามเราเราเป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้เทนั้นจะทําต่างพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ หินอนพวกะท่านทางหลายก็ต้องนอนเองแต่เราตาคตบอกหิวอาหารพวกท่านทางห้ายก็ต้องดื่มเองขันเองทานเองกินเองแต่เราตาคตเป็นผู้เชี่ยบเชี่ยบอกตอนนั้นจะทำต่างก็ไม่ได้พระบรมาศราสดาทำทางหลานตาคตไม่ได้แต่งตาคตไม่ได้เกิดทำทางห้านก็มีอยู่ พระพุทธเจ้าทาั้งหลายก็มาตัดสู้ทรมันเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันไม่ได้อวดดีต่อกันว่าทำของพระโคตมะพระกกุสันโธพ ร, ระอริยะเมตไตยอยู่สองสอนทำพิจิ ก, กันกับเราไม่ได้คัดข้านกันมาก็ลงเอยกันหมดกันหมดไม่เหมือนไม่เหมือนกฎหมายก้หมูกฎพักกฎพวกที่ประจําโลกเดี๋ยวก็แรงขึ้นเดี๋ยวก็ยุบออก เพราะเหตุไหนจึงเป็นอย่างนั้นเพราะความพอดีไม่มีทำคําสั่งสอนของพระบรมศาสลาความพอดีมีคล้ายๆกับเกลือใครกริฟตน้อยก็รู้จักน้อยใครกริฟตมากก็รู้จักมากรู้จักรดเค็มนะ่ะไม่มีใครคัดค้านกันนักปราชญ์ไม่ได้คัดค้านกันส่วนคนทานจะเอาเป็นประมาณไม่ได้ สิ่งไหนไม่ดีเขาสรรเสริญว่าดีก็มีเช่นชุรามีอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ากินเป็นระยะระยะไม่เป็นบาปดอกเขาก็กว่าอย่างนั้นแต่มันถูกเฉพาะเขา <c oughs> แต่มันไม่ถูกกับนักปา่าใชีนีมป <c oughs> วกมันหากัดกินต้นไม้แมลงวันเขียว มันหากินมูดคูดแมลงพึ่งมันต้องหากินเกสรดอกไม้แมลงผู้ก็เหมือนกันแต่มันถูกของใครของมันมันเป็นประชาธิปไตยของใครของมันมันเป็นสังคมนิยมของใครของมันมันก็เป็นชาวโลกเขาพาเป็นของใครของมัน แต่ว่าอันไหนมันดีมันก็มีหน้าที่กับผู้มีอิสระจะเลือกเอาเท่านั้นเพราะการเลือกเอาก็ไม่มีกฎหมายบังคับอีกทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละท่านเท่านั้นจะเห็นเองมแมล็วันเขียวมันก็บอกว่ามันสวยของคลิป แมลงผู้แมลงพึ่งมันก็บอกว่าอาหารของมันเป็นทิพย์เหมือนกันมันเป็นโรคทิพย์อยู่ทุกอย่างปวกปัญหากัดกินไม้ผุผุพิภิหรือพอที่จะกัดได้มันก็ถือว่าเป็นอาหารทิพย์ของมันโคมันกินหญ้ามันก็ถือเป็นอาหารทิพย์ของมัน แต่มนุษย์ผู้ใจสูงปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาหารทิพย์มนุษย์ผู้ใจต่ำก็ปีนศีลปพีนธรรมของพระองค์ก็เรียกว่าอาหารทิพย์เหมือนกันเขาอะไรก็บาปอะไรก็บาปมันจะได้ยักอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าเรามาศาสดาบอกว่าไม่ควรทำบาปในการกิน ใจสำหรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่านึกคิดหลังสําหรับนอนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่านอนขวากนอนหนามปากสําหรับกินของที่เบื่อเมาก็อย่ากินพระบรมศาสดาหูสาหรับฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังก็อย่าไปฟังเช่นฟังร้องเพลงเป็นต้นเป็นเสี้ยน้ําต่อชิ้นรม เช่นดูโทรทัศน์เป็นต้นหิวนอนด้วยดูโทรทัศน์ก็คือดูเงาดูเงาก็คือดูโทรทัศน์ไงถ้าอยากจะดูมวยก็ออกไปที่แดดแล้วก็เล่นมวยกับเงาดูทีนี้เมื่อตนเหนื่อยเงาก็เหนื่อย พุทธมามะกะผู้ถือศีลธรรมไม่ควรมีโทรทัศน์ไม่ควรมีดนตรีในบ้านในเรือนของตนเป็นปูุทุชนคนหนาจะมีก็ควรมีแต่วิทยุเทศหรือพัดลมตู้เย็นเพราะสิ่งที่ ควรจะเอาเข้าตู้เย็นก็มีก็ก็กมาคัดต่อสินธรรมแต่โทรทัพท์ไม่ควรไม่เหมาะสมแกพุทธมามะกะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ก็ไม่ควรแกพุทธมามะกะเลี้ยงกูเลี้ยงปลา ว่าสำหรับค่าขายก็ไม่ควรแก่พุทธมามะกะเพราะมันเป็นสิริเพราะมันเป็นมงคลเพราะเป็นอัปะมงคลค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษก็ไม่ควรมีในพุทธมามะกะพุทธมามะกะ ปรอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นผู้มีศีลห้าปฏิปุทธสุดไม่ถือ ม, อ ง, มองค์มงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำเนิดเชื่อมองคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานั่นสมบัติของอุบาสกบาสิกาในทาง พ, พุทธศาสนา พวกที่ไม่เลื่อมใสนะพุทธศาสนาเพื่อจะให้ทิ้งพระพุทธศาสนาไปเสียเพื่อให้เข้ารัฐที่ของเขาแต่พูดถึงพระพุทธธรรมประสงฆ์แล้วนะ่ะอย่าวางเถิดพูดถึงพระโสดาบันแล้วนะ่ะเว้นไว้แต่พูดยังไม่ถึงพูดถึงพระโสดาบันแล้วของหัวเราตนหลับตามาแล้ว ก็มาอวดสอยเข็มให้เราเห็นเขาก็พูดในใจอย่างนั้นส่วนที่ผู้ที่ยังไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงแท้ก็เหมือนนุ่นปริวไปบ้างเหมือนไม้ลอยน้ำเหมือนไม้สักที่โคคอยแต่จะล่ม พูที่เขาถึงว่าพุทธธรรมประสงแล้วจะมาเทศให้เขาเลื่อมสายทางอื่นก็เท่ากับว่าเอาไม้สีฟันไปงัดภูภูเขาเขาก็หัวเราะน่ใจเขา เรเหนื่อยแล้วเท่น to ี้มันชุกเป็นชุกนะอายุวโนสุขังพลังสูกครูใส่ชายังไม่ได้ผักสิคะอยากลงไปดูไปดูเขาเพื่อไปปลุกจิตปลุกใจเขาเขามีศรัทธาสร้างครูพิรักเพื่อให้เเป็นกําลังใจเขาก็ไปดูให้เขาอเราจะทําไม่รู้อีนัวอีนี่ก็ดูว่าใจจืดเพราะเราเดินได้ไปได้อยู่ถ้าถึงชั้น เก้าทิพย์แล้วก็นอนเ<ม>ฉยละ่ะถ้าถึงชั้นหลวงปูแ่แวนแล้วถึงชั้นหลวงปู่ขาวแล้วก็นอนละไม่ต้องไปดูใครเลยละ่ะอันนี้มันพอไปได้อยู่ก็เลยไปส่งเสริมจิตใจเขาบ้างแล้วเขาก็ศรัทธากันดีนะคะก็ดีอยู่ขยนะเขาเขมาช่วยกันเขาหากันเขาเห็นแก่หน้ากันผู้ที่เขามาทํานี่เขาเป็นครูภรรยาเขาตายภรรยาเขาตายพิการนี่ ครับรถมอเตอร์ไปทั้งลูกด้วยทั้งเมียด้วยพอไปไกลประมาณยี่สิบกิโลประมาณสิบห้ากิโลเมตรรถก็ไปเฉลบยังไงไม่ทราบเมียก็โหสีสะแตกลูกก็เกือบตายแล้วเมียก็ไปตายในโรงพยาบาล ทีนี้เขายังยอมเรื่องลูกของเขาอยู่เขายังไม่นึกจะแต่งงานเขาว่าเขาจะทำกุฏิสร้างถวายเพื่ออุทิศหาภรรยาเขาสักหลังเสีย ก, ก่อนเอาไว้อย่างนั้นเขาก็เลยเชิญพวกหมูมาหมูพวกครูกันมาช่วยพระของเราก็ใจจืดบอกอย่างนั้นถ้าว่าเขาไม่พออะไรก็ช่วยเขา ป็นต้นวัตปูหรือไม้ของเรามีอยู่ก็ช่วยเขาเหมือนกันเพราะเขามาทำในวัดข้อของใครของมันมันจะเข้าดอกมันจะต้อนเหมือนโพและกระบืออุศลพ้นบุญใครทำแล้วข้อของใครของมันมันก็เข้าเข้าคอกใจแต่เขาคงไม่ยอมหรอกเขาคงจะเอาคนเดียวนั่นแหละ อุบายไหนที่จะเป็นกุต UM> ิของตนคนเดียวเขาก็จะทำอย่างนั้นแต่ว่าวัดทรงปูมีกุติไม่กี่หลังเองนะคะไม่พอยี่สิบหลังไม่พอยี่สิบหลังหรอกอยู่ในระหว่างสิบสิบเก็ดห1ืสิบหสิบหกสิบเจ็ดหลังสิบเจ็ดนะ ที่เจดหลังนี่พี่อยู่บ้านใกล้ๆกันค่ะก็บอกผมเดินงคับค่ะไม่เศร้าอยู่ที่นี่รู้จักกันนะอยู่ใกล้กันกันรู้จักกันดีกันดีบ้านใกล้ๆบ้านเดีเบหนูแม่พ่อก็ยังมาหงุดเลยค่ะด่วยเดียวกันเลยค่ะเทวดาเทวดา เทวมดาบอกมาให้พบกันเราซ่ อ, อ <c oughs> น <c oughs> กอนูก็นเราเงยไกลปนน า, านี่มก็ค่ยพอกันบ่นนั่นบ่นนึก บ, น บ, นบน่ฝันเนี่ยมาฟอกผู้ฮูจักร น, นิสซิเสือช่วยก็ บ, บ้านพี่มีได้นี ม, มนพระไปทำบุญที่บ้านโดยมนพระตายกรรมฐ า, านบ่อยๆนะคะแล้วนิสก็ได้ไปทำบุที่้านพี่ไปเห็นกันก็ไปค่ะได้รู้จักกันอืม นี่ก็ก่ไกหอดมือสิถึงปีกสิตองนิมม่ออีกอะลงปูพอเคยลงไปอุเ ท, เ ท, เทบที่เพียบเหรอคะบ่ได้ไปแลยล่ะปีนี่นิมม่อนลองปูสิไปบ่ค่ะหมดแล้วนั่ว่าเป็น่แวาเป็นังมันเป็นไงนแล้วมันเป็นโรคมันเป็นโรคสาเลือดย่นนี่ก็นั้ะ น, นะค่ะไปไปล่องเบิง่ะไปกรุงเทพลองเบิงค่ะไปเขาค่ะบ่ไปบัวบ่นูนิมม่อนกับ่ไปบ่ค่ะบ่ผู้อื่นนิมม่อกับ่ไปนุกับบ่ไป เว้ยให้นุ่นนิมนต์ได้เลยไมให้คุณหมอมานิมนต์เลยคุณหมอเขาู่้ปคุณหมออุดมเนว่านิมนต์ผ้ปยอุดมเลยอุดมวันนะร่งพยาบานชินิราชผู้จบเกษียณเนี่เป็นรัฐมนตรีนะยังใช้หมอใหญ่ิมุดาหันี่มานิมนต์บอกเลยหมออุดมมันแห็นใหญ่กว่ามอนนั่นบอกมันเป็นหมอใหญ่มุดาหันนปเกษียณแล้วบอกผปเรา ในอัษฎาเนี้ยวายจากววพาบัวตัดก็สิบว่ไปลงี่ดูเป็นโดนเในซีปีนี่ต้นละมานต้าละมานเลยาากลไก่เข<อ>้มขมลังงูใหญ่ไก่จกตายแล้ววุ่นไฟละถ้านุ่มๆยู้นยู้ปด่องไปบ้างปปละ ป, ป, ล ป, ปลูดโดนโดนก็ไหนให้เรียนหน่อยลงละเออ จะว่าปวดตัวหรือปวดพลหลายวันเหรอปวดปวดพวกน้ำนุ้งคือพวงหนุ่นอีแล้วมาจังีกับพ่อจดิงๆแพ่อนี้ยหลงพรอมอยู่นี่ดนลอสองพันหารอยนี่เจปีสองพันห5ารอยมาอยู่นี่ม่อยู่เหมือนเตาเหมือนตุนพระบอได้แพ้ได้ขอมีอันไ้มาจังเหตุบ่มีมากับบ่เหตุได้หาอุบาย จะหาเงินหาคําหาเอาบ่ายจัดบุญจัดการคือใ น, นงานในวัดในว่าเฮ็ดเพื่อเอาเงินมาสมทบก่อสร้างย่างนั้นย่างนี้รบลบอพอของพอบริเฮ็ด